ธรรมชาดกแผ่นที่4ลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21สิงหาคม2550มีชื่อเรื่องว่าสองสหายคิดกลายกลับกันเราทุกๆุกท่านจท่ายญาติโยมนะ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 ตัวเองก็หิวข้าวนอนไม่หลับมานั่งคุยกันสุบูลีคุยกันเนี่ยไม่ได้นะมาอยู่วัดห้ามสุบหลีนะงดได้ก็ดีนะต่างคงต่างนั่งอยู่คนละมุมกันไหวพระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ น, นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเจ็ดวันยังค่อยมีครั้งหนึ่ง เ, เรามาภาวนาดูีิเป็นยังไง เ, เรามานั่งภาวนาทำใจให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก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 มาภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีเห็นใครคุยกันอย่าไปอยู่ใกล้หนีห่างๆไปภาวนานะและที่ภาวนาของเราก็มีมากสรุปสําหรับผู้หนุ่มนะผู้หนุม่มผู้น้อยกันนะั้นปีกหลีกตัวไปหาภาวนาที่ไหนก็ได้ตามร้านต่างๆตามกุฏิที่มันว่างๆข้างนอกเพราะนั้นไปกลางมุ้งกลางนั่นอยู่ดูได้กันคนสองคนก็ได้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 โยมผู้ดูแลอุปถัมภ์ประถางวัดของเราอายุ60เจ็ด68ปีทานเองแล้วพวกเราเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ผู้มากกว่านั้นก็มีเพราะนั้นเราจะไปชลาใจจะไปนอนใจได้หรออเราเตรียมพร้อมหรือยังสเสบียงของเราพร้อมหรือยังถ้าสเสบียงของเรายังไม่พร้อมกว่า น, นั้นพยายามเตรียมสเสบียงเดินทาง พวกเราจะต้องเดินทางแน่นอนนะอีกไม่ได้ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งล่ะ <c oughs> บุญกุศลเรามีแล้วยังพร้อมแล้วยังที่จะไม่ให้ตกทุกข์ใดยากเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราคิดทบทวนนั่งคิดนอนคิดยืนคิดเดินคิดนะคิดดูให้ดีจากนั้นก็ให้ภาวนาทีนี่สังสมคุณงามความดีไม่ใช่ว่ามาที่วัดก็เห็นตะหมูมาก็มา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 อย่างนั้นอ่ะมันจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าว่าพวกเรามาอยู่วัดแล้วก็จะมาเหมือนกับอยู่ในบ้านไม่ได้นะพอมาถึงวัดแล้วก็นู่นมาพูดมาคุยเรื่องบานเรื่องเลือนเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องสามีพันยาเรื่องลูกเรื่องเต่าคนนั่นไหวดีคนนี้ดีคนนั่นไปยังงั้นคนนั่นล่ำรวยคนนี้มีทุกข์เออเอาเรื่องทางนอกมาสนทนากันในวัดมันไม่ไม่ถูกเลยนะไม่ใช่เรื่องของพระ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 เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันสนิทกันว่างั้นเถอะคนหนึ่งก็บอกไปคบกับหมู่ครับเพื่อนหมูเพื่อนโอ้วันพรุ่งนี้ไปหาปลานี่ผมไปเหมาสะปลาเขาแล้วนะน้องปลาเขาแล้วไปไปลงเข้าหุ้นกันไปตกปลาคนนี้ก็รับปา ว่าจะไปหาปลากับเขาแต่เี็คนหนึ่งก็บอกไปอีกคนหนึ่งก็ไปไปเห็นหมู่เพื่อนแต่ทายกอีกกว่าเฮ้ยวันพุ่งนี้จะมีพระมาเทศนะอ่าอย่างหลวงตามหาบัวไปเทศอย่างนี้แหละอหมหลวงพระจะมาเทศนะวันพรุ่งนีนะ้มาเทศที่นั่นแหมจะไปไหมเดี๋ยวรวมกันนะติดกันเทศนะ พวกเราจะต้องร่วมกันไปฟังเทศวันวันพรุ่งนี้นะท่านนี้ก็รับเขาอีกอเพื่อนคนหนึ่งก็รับเขาอีกเป็นสองสหายใช่ไหมคนหนึ่งก็รับว่าจะไปหาปลากับหมู่กับเพื่อนพรับปากเขาอได้ลงซื้อบ่อปลากับเขาเคนหนึ่งก็เอาจะไปฟังเทศอจะได้ไปติดกันเทศไปฟังเทศทําบุญ ทีนี้พอมาตกตอนเย็นก็นมาเจอกันเฮ้ยไปฟังเทศโดยการวันพุงนี้วะวันพุงนี้จะมีพระกูบาจาันพระเทระผู้ใหญ่มาเทศนะตรงนั้นตรงนี้โอ้ยไปไม่ได้แล้วพ่อไปรับกับเขาแล้วว่าจะไปซื้อบ่อปลากับเขาแล้วก็เลยไปไม่ได้พอไปก็มันก็ต้องเทงเงินเลยทีพอได้ซื้อบ่อปลาแล้วลงทุนกับบ่อปลากับเขาแล้ว อโอ้เอาจะว่ายังไงล่ะเอาไปก็ไปนะไปฟังเทศเ อ, อ, นอนุโมทนาด้วยนะเออทางนี้ก็ทางคนก็เอา้าไปก็ไปหาปลาก็ไปนะอไะจากนั้นตอนพุงนพ่งนี้เช้าก็ไปแหละจะไหนไคนที่ไปหาปลาเนี่ยก็เตรียมแหเตรียมอุปกรณ์ในการหาปลาอย่างนั้นแหละแต่คนที่ไปวัดเนี่ยกน อใส่ชุดเสื้อผ้าเตรียมดอกไม้ทูบเทียนเอจะถูกปัจจัยไปเพื่อจะทําบุญทําทานไปฟังเทศนนะเหมือนกับพวกเราไปวัดอย่างงั้นอนะ่ะท่นี้ขณะที่ไปนั่งท่นี่ไอคนที่ไปนั่งฟังเทศเนี่ยไปนั่งฟังพูดใจมันคล้ายๆว่ามันมันคิดไปหาไอเพื่อนที่ตกปลาเหมือนกันนถอะไปหาปลานะ่ยโอ้ไอไปหาปลามันคงจะได้ปลา พอแรงเพราะว่าเขาปลาเขาว่าปลามันเยอะน้ากูเลยมานั่งอยู่ฟังเทศมาพระมาฟังพระพูดเนี่ยพูดไปพูดมาอย่างเนี้ยก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรถ้ากูไปกับไปนั้นใ่ไหมไปหาตกปลากับมันกูจังจะได้ปลามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเพอเพอทำเก็บไว้ทำปลาลงปลาล่าได้อีกเนี่ยเพราะปลามันเยอะเนี่ย คือเวลานั่งฟังเทศคิดไปถึงเขาหาปลาใจส่งออกไปหาเขาหาปลาไปหาเพื่อนคนนั้นมัน้งไัเถอะป่านนี้เพื่อนคงจะได้ปลาอย่างงุน่นคงจะได้ปลาดูปลาช่อนอย่างงุน่นอย่างนี้ก็คิดไปแล้วงั้นเถอะเพราะความคิดเนี่ยคิดเมื่อจะคิดเรื่องหาปลาเพราะตัวเองก็เคยหามาแล้วนี่เลยเกะแต่เรื่องปลาเหมือนกันเถอะไม่ได้สนใจเรื่องฟังเทศฟังธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงทําให้ฟังไม่ได้สนใจมีได้คิดเรื่องหาปลาเหมือน ว่าตัวเองเสียเปรียบมานั่งฟังพระพูดไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเห็นพระพูดให้ฟังเนี้ยก็ฟังมาจนพอแร้งแล้วมีแต่พูดเรื่องอย่างงู้นอย่างนี้มีแต่เกิดแก่เจ็บตายเมือ่อเรื่องสิ่งเรื่องธรรมเรื่องสมาธิปัญญาตายแล้วเกิดตายแล้วศูนตายแล้วเกิดแก่ก็ไม่รู้ตายแล้วศูนย์ก็ไม่รู้ไม่มีใครมาพิสูจน์ได้ไอันนี้ก็คือความคิดของตะแก่คนนั้นเหมืนั้น คิดไปหาหมูเพื่อนไอ้ไอ้ไปหาปลาไอ้ที่ไอ้ไปหาปลาทีนี่ไปก็โอ้ตายชีวิตของขานมันมันก็ไม่รู้จะยืดยาวไปสักเท่าไหร่ทำไรเราจึงมาหาปูหาปลาทีานี่เพื่อนชวนไปฟังเทศมันก็ไม่ไปตามไม่จริงน่าจะไปสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของตนเอง จะได้ไปมักไปผลอันนี้มาหาปูหาปล า, าหามุดน้ำดำเออหนองน้ำอยู่ตรงนี้คือใจเขาคิดมาแต่ถึงวัดบา ง, งันเถอะคิดจะถึงฟังเทศจิตใจจะมีแก่จิตแกใจที่จะหาปลาแล้วก็ไม่มีบา ง, งั้นเถอะหาปลาก็ไม่ได้พั่งนั้นหายัางไงก็ไม่ได้แต่คิดแต่ถึงวัดแต่นี้ก็พอตก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 จิตใจของเขาเป็นกุศลเขาคิดอยากจะมาวัดตลอดเพื่อจะได้ฟังเทศรักษาศีลฟังครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้เขารู้จักบาปบุญคุณโทษอย่างน้อยก็ได้รู้จักแนวทางปฏิบัติเพราะนานทีนั้นนานครูบาอาจารย์จะนมาเทศสนาว่าการให้คณะจัดชาย า, า, าจโยมได้ฟังอย่างนี้หาได้ยากไม่ใช่มาท่านมาเทศทุกวีทุกวันไอคนนี้เขาก็คิดไป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 เวลาเขาไปก็มีตรงลูกหลานหลายคนเวลาไปกับไปตามลําพังเขาไม่เห็นแบกอะไรไปด้วยสักอย่างเอาน้ําลดมือเข้าไปกับลดน้ําเข้าไปกับน้ำไหลออกขนาดน้ําไปยังไม่ติดในมือของตัวเองอีกยังไม่ต้องพูดถึงเงินคําทรัพย์สมบัตินอกจากบุญกับบาปเท่านั้นอนะ่ะที่จะติดจิตติดใจของผู้นั้นไปปรนโลกภายภาคหนาถ้าว่าเขามีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้ว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 เวลาเขาหิวอาหารเราหิวไปยังไงถ้าเห็นเขาหิวอาหารเยตัวหิวด้วยต้องยัดเส็ปากตัวเองก่อนมันงั้นเหรอนั่นแห <c oughs> ะเวลาไฟมันถูกขาเราอแตบถูกเขาด้วยเราจะไปยกเขาออกตัวเองต้องกระโดดเหยงก่อนเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นให้รักตนเองให้แก้ไขปรับปรุงแก้ไขตนเอง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 ให้ย้อนมหาใจไม่ให้หลงกายจากนั้นพอเห็นใจแล้วทีนี้ก็พิจารณาใจปล่อยวางที่ใจอีกใจทําไมไปหลงเขาอทําไมคิดอโมโหทำไมคิดโลภคิดโวดคิดหลงคิดรักคิดชังที่นี้มันอยู่ในใจมันก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ใจนี้ก็ไม่ใช่ของเราอีกเป็นอนนี้จังอีกของไม่เที่ยงอีก